<Book> 58อยากไปวอเกติการไปทําทุระกนูโกลดเชดมี่ฉันอยากไปห้องสมุดน้ากูกรันดาลียานีคือเวลลาเลนิ่วันดี่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือ น้าคุปุษฏการาดูการ น, นันคีเวลาลาเลยนีม่มดีดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมน้าคุสัมาชาราพัตระอัมเม็ดดูการ น, นันคีเวลาลาเลยี่ดิฉันอยากยืมหนังสือนาวุ่ปุกมกวลี่มุ ด, ดิฉันอยากซื้อหนังสือน้าคุว่าคุปุกรมคนล ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์นากบกับสามาชาิกอภิทรัมก่อนน้าเลยในวันดีดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือนากบกับพุทธกรรมอรุติสกุลตะโก้กรันท่าไรเงี้ยในเวลาเลยในวันดีดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ วุตคนินากับพตัลัดดูการนนวลลาลิบุนดีิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมว์ับดินาพัทรกคอนิต ako น้ากับดินาพัทริกาดูวลลาลุดิฉันอยากไปร้านแว่นตานาลลตรจะบวัดดะกับเวลลาลิบุ ดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนากูซูเปอร์มาร์เก็ตกี่เวลาเล่นีมุนดีดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังนากูเบเกอรี่กี่เวลาเล่นีมุนดีดิฉันอยากซื้อแว่นตานากูวกักัลเลจอดุก่อนาเล่นีมุดีดิฉันอยากซื้อผ ล, ลไม้และผักนากูไป ล, ลู คุณก็เอลนี่ก็ น, น่าลนิมุดีดิฉันอยากซื้อขนมปังนากโรลส์มาริโเบรดก็ว่าเล่นนิมุดีดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาลล ก, ก, กาลเลจอดูคนนี้นด้กูนักกุกาลเลดดาราดูการนันเวลลามดดิฉันอยากไปซุเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก พลลูโคเรกัลล์คนาานั้นคินี่นักซูปร์มาร์เก็ตกิเวลลาลีดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังโรลส์มริโอเบราดคนนั้นคิเนี่นักเบเอรีร่ิเวลลาลี